วสูตรสำหรับวันนี้นะในเรื่องของปฏิจจสมุปาทพ <c oughs> ราสถาคจัดเรื่องของปฏิจจสมุปาทที่จัดโดยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนะอ้างถึง พระพุทธเจ้าองค์ก่อน <c oughs> ท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ผู้เสด็จเข้าประทับอยู่ในที่หลีกเล้นทรงหลีกเล้นอยู่อย่างนี้ว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็นย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติและย่อมอุบัติ ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรลามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชรลามรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแลความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีนั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนาชะลามรณะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัย จึงมีชลามรณะดังนี้ <c oughs> ดูก่อนพิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญ า, ญญาเพราะการทำในใจให้โดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะชาตินั้นแลมีอยู่ชลามรณะจึงได้มีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชลามรณะดังนี้ นั่นก็คือการเกิดมีชราโมณะต้องมีนะชลามมนะมีเพราะการเกิดเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยของแก่และตายนะชลาโมณะแปลเลยว่าแก่แล้วก็ตายหรือดับนะเพราะพบนั่นแลมีอยู่ชาติจึงได้มีเพราะพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้นะ เพราะพบนั่นแหลก็คือเพราะสถานที่เกิดนั่นแหลมีอยู่ชาติการเกิดจริงได้มีนะแล้วตัวสถานที่เกิดจึงเป็นเหตุปัจจัยของชาติคือการเกิดสถานที่เกิดอะไรถ้าเราไปดูที่ผู้เจ้าท่านตรัสพบคืออะไรคือผืนนานวิญญาณคือเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนาแล้วผืนนาเนี่ยพระองค์หมายถึงพบ คือสถานที่เกิดสถานที่เมล็ดพืชไปตกเพื่อสร้างการงอกขึ้นมาสร้างการเกิดขึ้นมานั่นเองการงอกของเมล็ดพืชพระองค์เรียกว่าชาติชาตินั้นงอกขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะน้ำรดลงไปเรียกนันธิราคะตัวนันีิคือความเพลินเป็นเหตุให้เมล็ดพืชหรือวิญญาณเนี่ยจเจริญ ง, งอกงามไผบูนขึ้นมานั่นนี่คืออุปมาที่พระเจ้าอุปมา เราก็จะเห็นภาพว่าพบก็คือสถานที่รองรับให้มีชาติเกิดขึ้นมาคือผือนนารองรับการงอกของเมล็ดพืชน ะ, นะเมล็ดงอกได้เพราะนันทิราคะชาติมีได้เพราะเราเพลินและพอใจกับอารมณ์นั้นต่อไป <c oughs> และพระองค์ก็ตัด ไล่ลำดับสายปฏิจจสมุปบาท น, นะเพราะอุปทานนั่นแลมีอยู่พบจึงได้มีเพราะว่าอุปทานมีเราเข้าไปจับยึดไงอารมณ์นั้นจึงมีในจิตนะนะนั้นการเข้าไปจับยึดสิ่งสิ่งนั้นทำให้สิ่งสิ่งนั้นมีขึ้นมาเพราะตัณหานั่นแลมีอยู่อุปทานจึงได้มีอะไรเป็นเหตุให้เข้าไปจับยึด ก็คือตัณหาความอยากความอยากนำพาไปนำพาไปให้มีการจับกันยึดตัวตัณหาจึงเกิดทำให้มีการมาการไปเกิดขึ้นเพราะนั้นอีกพุทธวจนะหนึ่งพระองค์จึงบอกว่านติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าความน้อมไปไม่มีมมการมาการไปจะไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปคือไม่อยาก จิตจะไม่มีมามีไปจิตมาไปเพราะอะไรเพราะมีตัณหาคือความอยากนั่นเองตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดอุปทานจับยึดขึ้นมานะแล้วก็ไล่เวทนาตัณหาอุปทานนะไล่ามาตัณหาเวทนาผัสสะสลายณนำะรูป <c oughs> มาจนถึงตัวนำรูปท่านก็ตัดว่าดูก่อนพิสษุนทั้งหลายความสงวนได้เกิดขึ้นแก พระวิปัสสิบริติษณ์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หรือหนอวิญญาณจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิสูจน์หลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทําในใจโดยแยบขายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสิบริติษณ์นั้นว่าเพราะนามรูปนั้นแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณ ยันกันไปยันกันมาอย่างนี้ <c oughs> นะดูก่อนพิสูจทั้งหลายลำดับนั้นแหลความรู้แจ้งนี้ได้มีแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าวิญญาณ น, นี้ย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่เลยไปอื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนี้พึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจุติบ้างพึงอุบัติบ้างสัตว์โลกนี้ทั้งหมดเนี่ย ที่มันเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันเวียนไปในสี่ธาตุเนี่ยในนามรูปเนี่ยปัญหามันมีอยู่แค่นี้เองนะนี่เป็นความรู้พระโสดาบันนั้นเนี่ยนะพราะนั้นตรงเนี้ยพอรู้ตรงนี้เนี่ยเราไล่สายปฏิจจ์เนี่ยดูก่อนพึ่งสูงหลายนะดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะ วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีบริสัทธน์นั้นในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยฟังมาก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้รู้ลําดับเหตุของการเกิดขึ้นพร้อมแห่งสปปรรพสิ่งทั้งหลายว่าการเกิดขึ้นเนี่ยมีลําดับเหตุไปยังไงยังไงอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอะไร <c oughs> ใช่ไหมอาตมาจึงถาม <c oughs> ว่า เพราะมีอะไรเป็นเหตุความเสื่อมจึงมีก็คือมีเกิดไงอย่าลืมคําว่าเสื่อมชรามรณะชลาแก่อันเดียวกันนะเสื่อมมีเพราะอะไรเสื่อมมีเพราะเกิดนะ <N> หรือแก่มีเพราะอะไรแก่มีเพราะเราเกิดมามันเลยแก่ไงแก่มาเรื่อยๆ <N> นั้น <N> เกิดเป็นเหตุให้แก่หรือเสื่อมและแก่เป็นเหตุให้เกิดอะไรมรณะคือดับ น, นั้นเสื่อมไปเรื่อยๆก็จะถึงการดับจบหายไปก้อนน้าแข็งเสื่อมไปเรื่อยๆที่สุดละลายหมดความเป็นก้อนไม่มีแล้วเกิดเสื่อมดับใช่ไหม น, <c oughs> <c oughs> นั้นนี่คือสัจจะความจริงของโลกพระเจ้าก็บรรยายลําดับเหตุของการเกิดอยู่ๆมันจะเกิดเลยได้ไหมไม่ได้มันมีอะไรเป็นเหตุมาไล่ลําลดับเหตุ ของการเกิดขึ้นแห่งสรรพสิ่งออกมาแล้วพอท่านรู้เรื่องสมุทัยแล้วท่านก็คิดเรื่องนิโรธเมื่ออะไรไม่มีหนอชรลามรณะจึงไม่มีเห็นก็ไล่ไปว่าเพราะอะไรไม่มีนะแก่และตายจึงไม่มีนะเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชรลามรณะท่านก็เลย ท่านนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบขายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะชาตินั้นแลไม่มี <c oughs> ชลามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแ่งชาติจึงมีความดับแ่งชลามลณะนั้นถ้าชาติไม่มีแก่ตายจะไม่มีเห็นนะเพราะชาติเป็นเหตุให้เกิดแก่และตายถ้าเหตุดับแก่ตายจะต้องดับไปด้วยจะต้องไม่มีด้วย นะันั้นถ้าไปดู <c oughs> ที่ผู้เจ้าท่านตรัสไปดูไล่อนิจจังทุกขังนัตตาไล่ไปถึงเนตังมะมะพระงตัดภาพรวมเอาไว้นะอันนี้รูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเห็นไหมทุกนี่คือดับ หรือนิโรธคือหายไปสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเดินไปสู่ความดับหรือหายไปสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะนั้นสิ่งใดหายไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตนิยามของอนัตตาต้องใช้นิยามที่พระเจ้าท่านตรัสที่ท่านพูดไว้อย่างนี้อุปมาอย่างนี้ว่าเมื่อมันแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับหายไปมันจะเป็นอนัตตา คือมันมีขึ้นมาชั่วคราวแล้วหายไปการมีขึ้นมาคือตัวตนมันโผล่ขึ้นมานะรูปคนปรากฏขึ้นมาแล้วคนก็หายไปร้อยปีก้อนน้ำแข็งปรากฏขึ้นมาสองสามชั่วโมงก้อนน้าแข็งหายไปอย่างนี้มีขึ้นตั้งอยู่หายไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ดับไปสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา <c oughs> นเราเข้าใจอนัตตาแล้วนะว่าอนัตตาคือมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากดับดับมีเหตุมาจากเสื่อมเสื่อมมีเหตุมาจากเกิดเห็นนะไล่ลําดับอย่างนี้นะพระพุูธเจ้าท่านจัดไล่ลําดับให้แล้วสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือเนตังมะมะเนสโอมัสมินัเมโสอัตตาเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนสโอมัสมิคือนั่นไม่ใช่เป็นเรา นาเมโสวตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานนี่คือพุทธวจนะที่ไล่ลําดับเหตุของการเกิดอันนี้จังทุกขังนัตตาจนถึงเนตังมะมะไว้ให้นเพราะฉะนั้นเนตังมะมะจะไม่มีถ้าไม่มีอะไรไม่มีนัตตาอนัตตาจะไม่มีถ้าไม่มีอะไรทุกขังทุกขังจะไม่มีถ้าไม่มีอะไรอนนี้จังอันนี้จังจะไม่มีถ้าไม่มีอะไร อุปาโทรหรือสมุทัยเกิดปรากฏนะเพราะนั้นเกิดเป็นเหตุเสื่อมเสื่อมเป็นเหตุให้เกิดดับดับเป็นเหตุให้เกิดอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงอนัตตาเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจว่ามันกับเราคนละตัวกันนะนี่คือลำดับของการเกิดขึ้นของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เนตังมะมะนะ <c oughs> ส่วน ส่วนภาวะของนิพพานหรือวิมุตตนะิอะสังคตธรรมเป็นอะไรณนะอุปาโทเกิดไม่ปรากฏนะนั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏนะลองให้ดูเกิดไม่ปรากฏพนะ <c oughs> ระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่อสังคาตธรรมเห็นไหมณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดนะเมื่อเกิดไม่ปรากฏ เหตุปัจจัยของการเสื่อมไม่ปรากฏเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้ก็เป็นณวโยปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเสื่อมเสื่อมก็ไม่ปรากฏเนี่ยเพราะเกิดมันไม่ปรากฏเห็นไหมเมื่อเสื่อมไม่ปรากฏดับปรากฏได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่เสื่อมนีมันก็เลยไม่ต้องพูดถึงดับท่านก็ไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าณติตตะอัญญตตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ เพื่อให้รู้ว่าสภาวะนี้มีอยู่แต่สภาวะนี้มีแล้วไม่ปรากฏภาวะอย่างอื่นมีอยู่ตลอดกาลมีแต่ความมีของมันนั้นไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมนะมก็เลยไม่ต้องพูดเรื่องดับเพราะเหตุปัจจัยของการเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีดับไม่มีแน่นอนซึ่งเหตุปัจจัยตรงนี้ก็เคยพูดไว้ในชาติชลาโมนะอยู่แล้วว่า ถ้าชาติไม่มีชาลาเมรนะก็ไม่มีใช่ไคือเสื่อมและดับก็ไม่มีอยู่แล้วนะก็ชัดเจนตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั้นอสังคต ธ, ธรรมคือชื่อแทนนิพพานชื่อแทนนิพพานมีสามสิบกว่าชื่อนะนี่คือชื่อแทนนิพพานชื่อแทนสมมุติก็คือตัวสังคต ธ, ธรรมสังคตลักษณะ สังคตาลักษณะสังคต ธ, ธรรมเพราะนั้นเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมไม่มีดับไม่มีดับไม่มีเหตุปัจจัยของอนัตตก็ไม่มีนะไล่มาเลยไลย่ลามาเรื่อยๆเนะอะนั่น อนัตตาจึงไม่ได้เอาไปเป็นตัวอธิบายตัวของนิพพานนะเพราะว่าตัวตนมันไม่ได้เกิดมาเรียกให้เป็นตัวเลยยังไม่มีตัวเรียกว่าเป็นตัวท่านี้ตัวเนตังมมะเนสโสมัสมิเนี่ยตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่ใช้ทั้งสองระบบเลย นั้นในระบบของสังฆตาเนี่ยผู้เจ้าก็บอกว่าเมื่อเห็นอนัตตาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเป็นเราแต่ตัวพิมุติคุณสมบัติมันไม่เกิดไม่เสื่อมนะตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่ผู้เจ้าก็บอกว่าเมื่อถึงตรงนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ของเราด้วยเหมือนกันคือใช้เนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรานิพพานไม่ใช่ของเรา นะ <c oughs> ถ้าไปดูในปฏิจจะหน้า420นะไล่ไปจนถึงนิพพานนี่ไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเรา <c oughs> คาว่านิพพานเป็นของเราเนี่ยนะอันนี้คือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่ง ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญม่นหมายทั้งปวงซึ่งตัวคีมันจะซ้ากับตัวเนตังมามะปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะหนึ่งตัวคือตัวนั่นไม่ใช่ของเรานะนั้นตัวเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงจะมีสีแง่มุมซึ่งในโดยความเป็นแล้วก็นั่นของเราพระเจ้าจะบอกตั้งแต่ว่าขันทนะ่านสะัอะเนย ไม่สำคัญม่นหมายซึ่งขันธ์าตุอายนะนั้นนั้นไม่สําคัญมั่นหมายในขันธ์าตุอายณะนั้นๆไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันธ์าตุอายณะไม่สําคัญมั่นหมายว่าขันธ์าตุอายนะเป็นของเราแล้วก็ล่างมาถึงนิพพานก็คือตัวนี้ไม่สําคัญม่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญม่นหมายในนิพพานไม่สําคัญม่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญม่นหมายว่านิพพานของเรา สแง่มุมนี้เป็นปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญม่นหมายในสิ่งทั้งปวงท่านจะตัดไว้อีกพระสูตรหนึ่งซึ่งสรุปชื่อไว้ให้4ตัวนี้ส่วนตัวเนตังมะมะจะเรียกว่าปฏิปทาใหถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะจะมีสมอ่านคือเนตังมะมะเนสโสมะสมินะัมเนสวตตาเราจะเห็นว่าจุดที่ซ้ากันก็คือนั่นไม่ใช่ของเราตัวนี้นะคาแรกของเนตตัวเนตังมมะกับตรงนี้จะซ้ากันตัวหนึ่ง ว่าของเพิกถอนความสำคัญมันหมายในสิ่งนึงปวงว่านั่นไม่ใช่ของเรานะซึ่งนายโดยความเป็นนั่นของเรานะจะซ้ำกันตัวหนึ่งคือซ้ำกับตัวเนตังมะมะนะ <c oughs> <c oughs> วันนั้นเวลาอธิบายถึงนิพพานเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้ใช้อนัตตาอธิบายเพราะอนัตตาเป็นเหตุปัจจัยของสมมุติบัญญัติเป็นเหตุปัจจัยของสมุติบัญญัติซึ่งผู้เจ้าจะตัดอยู่เรื่อยๆว่าขันห้าเป็นอนัตตาแต่ไม่เคยตัดว่านิพพานเป็นอนัตตาแต่ตัดเรื่อยๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นอนัตตา รูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขัง น, นะัดอยู่เสมอ <c oughs> ถ้าเราใช้ปฏิจจสุบาทเนี่ยมันจะชัดเจนมากมันจะไล่ลำดับเหตุของอการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆและเข้าไปดับทีละอันดับทีละอัน